Book 2 <21. S 1> <21. S> 2ยี่สิบเอ็ดการสนทนาสอง s m a l a k two คุณมาจากไหนคะ v o r kommer du fra มาจากบาเซลค่ะ fra Basel b a s ซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเลลี g ก์สวีต์ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะ h ิลส p พ่อมิลเลอเขาเป็นคนต่างชาติฮัอุทเล็มนิงเขาพูดได้หลายภาษา Han สแนกเกอร์ีสบรอ คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ Är det f อ r s t ส g ์ n g du är här ไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วคะ่ะ Nej, jag var här i f j ูร också แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นคะ่ะเมนบาร์เอคุณชอบที่นี่ไหมคะ คนที er os Continue, say, ่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะวิลล i ดีก็ต์คนก็อาร์วัณเลและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะอ๋อ a ันก็ชอบธ t รมช n ติเหมคุณทํางานอะไรคะคุณทำงา a อะไรคะ ดิฉันเป็นนักแปลยยฉันแปลหนังสือฉันแปลหนังสือฉันแปลหนังสือฉันแปลหนังสือฉันแ e r หนังสือฉันแปคหนังสื่ใชนแปลนัสงสือฉันแหนังสือฉันแปลหนงดิฉันก็มาทีสางสืฉันแปลหนังสือนแปลหนังสื และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันแดอ